ยาโยห์นนัส Antum i n f o c a r a فخاروا إلى الله والله هو الغني الحميد إيه يشيد بهم ويقيهم من دليل ب ي خ ل ق جديدا وما كان الله بعزيز ولا ت ز ر وزرته ولا ت ز ر و ز ر ه وَإِن ت َ ج ع ُ م ُ س ْ ق َ ل َ ة ٌ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَل م ِ ن ْ ه ش َ ي ْ ء وَلَوْ ك َ ن َ ذ ق ُ ر ْ ب َ إنما تنظر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة و ا ك ا ف إ ن ا يجزك ل ن وأقام الصلاة ومن تزكى كفا إ ن ما ي ت ز ك ى ل ن ف س ه وإلى الله المصير و ا ل م ص ي ر اسم الله الرحمن الرحيم جن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ه ه الله م ม ي ل ل د, إ إ الله د, م د ั ه ดี ل ์ فلا مضللة وما يضلل فلا هادياله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لِمَاتِ ا ل ه ِ ت َّ ا م, م ا, أ ت ِ مِن شَرِّ مَا خ َ ل ََ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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما فيها ذ, ما ذ ل يا وخير ما بعدها ب ع د ه ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله ما ف ن ي في بدني ว่าฟ ن น ف ในสัมไม ع และฟินีในบัฟหรือส ر ฮานุอัลลอฮ์และบิฮัมดีฮีอาดัล ه ลุกฮีวาริดาเน حي ي าคอย م มดิร ت ะห์มัติกาอัสถุอัลลิฮ์ฉะนี่คุลลูวะลาต์คิลนีอ ل سلام عليكم ورحمة الله وبركات พี่น้องที่ร่วมจะมาศุโบที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซทที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านอาอมิดอามิเราในเชื่อแดงหายใจเฉลอมานะมาได้มาเลย <c oughs> พี่น้องครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และุรุตานาลานี่อัลลอฮ์ให้เรา มาถึงวันนี้ชั่วโมงนี้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอมอตอนทั้งหมดเรานี่ะมาจากอัลลอ์ทั้งหมดและคนทั้งโลกนี่ที่เป็นมุสลิมนี่นะถือศีลอดทั้งโลกเลยแล้วก็โรคโควิดโรคโควิดเราก็ติดตามข่าวนะนะมีคนถามว่าโรคโควิดเนี่ยกับการถือศีลอดเนี่เป็นยังไง เพราะว่าถ้าคอมันแห้งนอะกลัวว่าโรคโควิดมันจะเข้าไปไปฏประธรรมไปทำปิติกิริยาปรากฏว่าก็บอกว่านี่หมอทุกคนน่ะลงความเห็นโรคโควิดเนี่ยไม่ชอบคนถือศีลอดทํามทีนะไม่ชอบคนถือศีลอดดังนั้นใครที่ถือศีลอดเนี่ยนะแล้วก็โรคโควิดมันติอยู่ที่ของเขาน่ะติดประมาณหลายวันน่ะ หายเลยอะโรคโควิดไม่กลัวควรถือสินอดพูดง่ายๆกับตัวกลัวสยามกลัสยามฉะนั้นมุสลิมทั่วโลกนะไม่ต้องไปกลัวโรคโควิดบางคนไม่ยอมถือเออเพราะกลัวโรคโควิดจะมาถือสินอดเถอะพี่น้องเอ้ยพอถือแล้วโรคโควิดมันจะบ่ายบ่ายฉันไม่ฉันไม่อยู่กับตัวคุณแล้วฉันไปอยู่ที่อื่นแล้วฉันจะไปอยู่กับคนที่ไม่ได้ถือสินอดโอ้โหนี่พูดอย่างงี้หนักวะ หนักนะเราไมาก่กระทบใครเลยนะเราเชิญชวนว่าให้เรานี่ถือสัมปชัญญธรรมความดีคืนนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่อะไรที่สามพฤศจิกใช่ไหมใช่วันที่สามผลเดือนรอมฎอนพี่น้องทีนี้ผลเดือนรอมฎอนมาเนี่ยอาพูดเรื่องรอมฎอนนิดหนึ่งรอมฎอนมาเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเคยกินอาหารใช่ไหมตอนเช้าๆเนี่ยเรียกว่าเบรกฟาส์เนี่ย จเจ็ดโมงแปดโมงกม็เเลิกไม่ต้องกินไปกินตอนตีสี่ตีสี่สี่สิบปีตีสี่ครึ่งตีสี่ยี่สิบอะไรพวกเนี้ยให้ทานสะฮุษเนี่ยก่อนจะหมดเวลานี่ใครสอนเนี่ยอัลลอฮฺ บ, บอกกับนบีให้มาสอนแล้วก็ <c oughs> กลางคืนเนี่ยเราไม่ได้มานมาตอรวีตอนมาที่บ้านก็นามายังไงล่ะก็นาม า, ากันในบ้านนั่นแหละมีกี่คนอ่าห้าคนหกคน ที่บ้านผมมีหลายคนนะหกเจ็ดคนลูกหลายมาอยู่นี่หมด <c oughs> นมาตอรวิเสร็จแล้วก็นมาห้าเวลาเนี่ย <c oughs> ต้องนมาหดเป็นยามาอาให้หมดนะครับแล้วก็ตั้งใจาไว้ว่าจะอ่านคู่อ่านกี่จบยังน้อยก็สักหนึ่งจบใช่ไหมอ่ะแต่วิธีอ่านคูอน่อ่านอ่านยังไงอ่ะอ่านหลังนมาหรือก่อนนมายอย่างนมาซูโบนี่ยถ้าอยู่บ้านนะ เะนบีบอกว่าหลังจากทานอาหารสะฮุนแล้วเนี่ยว่าจะอาญาเนี่ยให้อ่านคุรานประมาณห้าสิบอายะนี่นบีสอนเอาไว้ฉันเดินตามนบีพี่น้องทานอาหารสะฮุนอย่าไปทานตอนตีหนึ่งเลยนั่นโต๊ย่อเขาเขากันมาโต๊ะแชร์เราทํากันมาแบบนั้นมาตลอดเราก็กว่งมาจากมาํากนี่ก็เราเอาสุนัข น, นาบีมาแทนโต๊ะย่อดีกว่านะนบีบอกว่า เมื่อทานอาหารสักพแล้วเนี่ยก็ให้อ่านกุรานประมาณห้าสิบอายะก็จะเข้าเวลาสุโบทันทีตัวองว่าชีวิตเราเนี่ยต้องเอาสุนานะนบีนะมากํากับอ่าทีนี้พออ่านคุรานเสร็จแล้วก็นมาสุโบต่อนมาสุนัดก่อนนมะสองระฆัอัดแล้วก็สุโบอีกสองระฆัอัดแล้วก็ถ้าอยู่ในบ้านก็ควรจะอบรมกันอ่ารอสักห้านาทีสิบนาที เสร็จแล้วก็อ่านกอ่านอ่านอ่านกุ้งอ่านต่อฉะนั้ น, า น, านบางคนเนี่ยอ่านวันละยุสผมก็บอกที่บ้าง น, นะวะ่าเอาช่วยอ่านกุ้งอ่านกันนะนี่บางคนได้สามยุษแล้วบางคนได้สี่ยุษมีห้ายุษมีก็แข่งแขงกันใช่ไหมในบ้านดีไม่ดีมีอยู่ที่อยู่ ท, ที่อยู่ที่พ่อนั่นแหละถ้าพ่อไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้พูดเรื่องอ่านกุ้อ่านไม่จะพูดเรื่องน้มาเป็นญะไหม ลุกลุกล้ลนงๆที่อยู่ในบ้านก็ไม่มีประโยชน์นะใช่ไนะหะเอาไปขอคุยเรื่องรมะมดอเลยเล็ก น, น้อยขอบคุณนอร์รอนนะครับพี่น้องเรารมาทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสุระฟาเต๊ะฟาเต๊ะนีแปลว่าอะไรนะอะไรนะปร ะ, ะประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์ก็ได้หรือว่าสร้างก็ได้ฟาเต๊ะแปลว่านั่นแหลว่าประดิษฐ์ก็ได้นะทีนี้ อร้อยนี่ได้ให้เราได้อ่านกูรอ่านเพราะกูรอ่านนเป็นความรู้นะไม่ใช่เป็นคาถานะกูรอ่านเป็นความรู้นะมาดูกูนอ่านวันนี้อายาที่เท่าไรอายาที่สิบห้าครับมีประมาณสี่อายาด้วยกันครับยออายุห์นัสอันตุมุลฟุการาอุอิลลอ والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله أكبر นี่เป็นความรู้นะเพื่น้องเปิดหูเปิด เปิดสมองเราเลยเปิดหูเปิดตาเราเลยนะเนี่ยอาย่านี้อัลลอฮฺประทานให้ให้กับท่านนาบีตรงนึกนะทุกอายาเนี่ยอัลลอฮฺให้ยิบรีนพามาให้กับท่านนบีคนเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับคำภีรุณอ่าจากอัลลอฮฺนบีคนเดียวเพราะมีบางกลุ่มอธิบายว่าให้คนผิดมีการพูดไปแล้วนะ ที่เราจะให้กับคนอื่นมาให้มากับนบีคนพิษอ่านี่ยั ง, ยงที่เราก็ต้องเย้่ยมย้ำบ่อยๆว่ากุรอานนี่อัลลอฮฺประทานให้กับท่านนาบีคนเดียวอไม่มีคนอื่นคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะครับยาอายุหันอายานี้นี่ต้องการจะพูดอย่างงี้นะมนุษย์เนี่ยนะอันนาจะแปลว่ามนุษย์นะ มัจะเรียกมุสลิมนะมัจะเรียกกาเฟสนะเรียกมนุษย์ทั้งหมดเลยเจ็ดันกว่าล้านลงบนดุญญนยาใบนี้นี่เราเรียกอย่างนี้เลยนะยาอายูฮันนาโอผู้โอคุณโอคโอมนุษย์เอย๋ยอ่ามนุษย์เอย๋ยอันตุมุลฟุกอรออันตุมแปลว่าท่านทั้งหลายฟุกอรอมาจากฝากากีรุนอ่าฝากกีแปลว่าอะไรคนฟกักเกตมิสเกนอ่า สะกิดหมายถึงขาดสนพวกคุณเนี่ยขาดสนพวกคุณเนี่ยขาดขาดทุกเรื่องนั่นแหละฟุกอรอเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ขาดสนด้านด้านการเงินอย่างเดียวน่ะขาดขาดทุกทุกเรื่องเลยมนุษย์นี่นะขาดทุกเรื่องอ้าวมนุษย์ตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยพอคลอดออกมาเนี่ยตัดสะดือก่อนใช่ไหมล่ะ แล้วกินอะไรก่อนก่อนที่จะกินกล้วยนะกินอะไรก่อนกินนมใช่หไหมขาดไหมถ้าแม่ไม่อยู่นะตายนะนี่เห็นยังครับอันดูมุลฟูกรอท่านทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ขาดส่นหมายถึงขาดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทีนี้พอขาดแล้วพอทําไงครับอิลลรอต้องพึ่งอัลลอฮฺมนุษย์นี่ขาดทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์นี้เป็นผู้ขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์คำว่าขัดสนที่นี่ไม่ได้หมายความเรื่องการเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่อายกตัวอย่างง่ายๆเนะี่ยจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยทำยังไงบางคนบอว่าต้องไปวิ่งออกกำลังกายไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวนะจะให้สุขภาพแข็งแรงให้ถือสินอดนี่ ถือสุติเดือนละมาดอนนี่นะถึงการชําระลา้างสิ่งสโครกทั้งหมดที่อยู่ในตัวเราที่สะสมกันมากี่เดือนสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมสังเกตสิคนที่เป็นเบาห ว, วานไ ข, ม, ขมันไขมันพอเกินเยอะนอนเยอะดื่มเยอะใช่ไหมล่ะพอเดือนละมาดอนมาเนี่หยุดหมดไขมันก็ลดเบาหวานก็ลดไข้นี่ก็ลดมการดูแลสุขภาพ ีความรู้เหล่านี้นะมาจากใครมาจากอัลลอ์ทั้งหมดมนุษย์คนไหนคิดเองมีไหมล่ะไม่มีใครคิดเองสักคนหนึ่งคิดเองก็คิดไม่ได้ใช่ไหมพราะฉะนั้นมนุ์นี่นะนี่นี่ในแง่ของของการดูแลสุขภาพเวลาเครียดขึ้นมาเนี่ยเวลาเครียดขึ้นมาเวลามีปัญหาเดือดร้อนคุณแก้อย่างไงบางคนแก้ไม่ถูก แกโดยการแขวนคอให้ตายใช่ั้ยก่อนหนังสือพิมพ์มันลงข่าวทีวีก็ทุกทุกชั่วโมงอะ่ะฆ่ า, นานคานานั่นรมควันคนนี้อัลลอฮ์แทงคนนั้นงทีแทงพ่อตัวเองแทงแม่ตัวเองมันเวลาเครียดนะหาทางออกไม่เป็นคุณต้องอาศัยอัลละ์ฉะนั้นในยุคเรานี้อัลลอฮ์ส่งนบีมัดมาสอเนอี่ยเอาเวลาเครียดนึกถึงอัลลอ์ให้อ่านดุอา อะไรบ้างอย่างน บ, บีน บ, บีที่อยู่ในท้องปลาอย่าน บ, บีอะไรยูนุสอะลยฮิสลามใครอยากอยู่ในท้องปลามีไหมล่ะไม่มีใครอยู่ในท้องปลาสักคนหนึ่งไม่มีใครอยากอยากลำบากแต่น บ, บีมออยูยูนุสเนี่ยอยู่ในท้องปลามาแล้วก็อัลลอฮ์เล่าเรื่องน บ, บียูนุสเนี่ยวันนักพรีพูรอ่านให้พวกเราวันนี้เวลาเครียดเวลากลุ้มอกกุ้มใจหาทางออกไม่ ครับอกไม่ได้ให้นึกถึงตัวอาของนบียูนุสอ้าวตัวอาของนบียูนุสอยู่ในท้องปลาน่ะอ่านตุอาบทไหนอ่ะลาอิลาฮิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนิคุนตุมินะลออีนินที่ต้องสังเกตดูดูคํคำแปลก่อนลาอิลาฮิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ์นี่ชมใคร ชมอัลลอ์แล้วก็ซุบฮานะกะมหาบรุษุนยิ่งแด่อัลลอ์ชมใครชมอัลลอ์ประโยคสุดท้ายอินนีกุนตูมินอาริมินแท้จริงฉันเป็นคนอาธรรมคนหนึ่งในบรรดาคนอาธรรมทั้งหลายชมอัลลอฮ์สองครั้งกับตําหนิตัวเองหนึ่งครั้งมีใครอยากตําหนิตัวเองไหมล่ะไม่มีใครสักคนหนึ่งอยากจะตําหนิคนอื่นหมดอ่ะพิษ ใช่มั้ยชมอัลลอฮ์สองครั้งตำหนิตัวเองหนึ่งครั้งเป็นดุอานบียูนุสไม่ได้ขอให้ออกจากท้องปลาสังนิดหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ใชละอิลละอิลลอออันตัสุบฮานะกะอินนีกุนตัมินาซลมิตไม่ได้ขอดุอาให้ออกจากท้องปลาแล้วก็ตอนอยู่ในท้องปลาด้านอ่านดุอาบท น, นี้ต้องการจะสอนอะไรเรา ฉนั้นต้องสารการจะบอกคนที่อ่านกุรานคนที่เป็นมุสลิมทั้งโลกนี่นะเวลาเครียดขึ้นมาเวลาตกทุกข์ได้ยากหาที่ออกไม่ได้น่ะให้นึกถึงอัลลอฮ์น่ในช่วงที่เรากำลังเกิดเรื่องเนี่ยโควิดนี่เปน้องครับดูอาตรงๆขอให้โรคโควิดหายก็ขอไปไม่มีปัญหาขอไปเถอะแต่ดูอาของนบียูนุสเนี่พเปน้ององัลลอ์รู้ว่าในใจเรานะคิดอะไร น บ, บียูนุสคิดอะไรคิดอยากจะออกจากท้องปลาใช่ไหมล่ะแต่ไม่ได้พูดตรงตรงอ่อัลลอฮ์จ้าอยากจะออกจากท้องปลานะไม่พูดแต่พูดอะไรลาอิลลาอิลลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุลตูมินอูอฺลมีไม่รู้ว่าอ่านกี่ร้อยครั้งไม่รู้ว่าอ่านกี่พันครั้งอ่ะไม่ได้พูดนะแต่อุลมามะทั้งหลายเขาแนะนำบอกว่าเราเองวันนี้เวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยนะ มาต้ององขอตรงๆก็ได้อลัลลอฮ์รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่กันหนาเนี้ชมอลัลลอฮ์สองวัด ก, กับตำแหน่งตัวเองว่าฉันเป็นคนอาธรรมคนหนึ่งในหมูม่ผู้อาธรรมต่างหลายอาลัลลอฮ์ให้ปลาคลายออกมาจากทองปล่าใช่ไหมแค่นี้ครับนี่ะฉะนั้นอันยะอายุหัมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นี่นะเพราะคุณนี่นะขัดสนนะ ตอนมีปัญหาเดือร้อนคุณแค่แก้ปัญหาไม่เป็นแต่ที่แก้แก้ก็อยู่้วถูกหรือผิดผิดหมดเลยเ่เอาปืนไปฆ่าคนนั่นไปยิงคนนี้ฆ่าลูกตัวเองฆ่าพ่อตัวเองเอาลอนี่คิดผิดหมดเลยหาทางออกไม่เป็นจะนั่นต้องอาศัยใครอิละลอคุณต้องอาศัยอลัลลอ์คุณต้องพึ่งอลัลลอฮ์เอาเรื่องที่สาม คนที่ฆ่ามนุษย์คนแรกในโล ก, กลูกใครรู้บ่าลูกใครลูกอาดัมอ่าใช่ไหมล่ะพี่กับน้องทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอ้าวพอตายแล้วเป็นไงอ่ะพอตายแล้วเป็นไงจะขจัดศพยังไงนึกไม่ออกอ่ะพอเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คิดไม่ออกอ่ะอิกาอลัลลอฮ์ส่งอิกามาอ้าพึ่งอลัลลอฮ์ยัง อันนี้อรรเมตตานะอาลาห์ให้อีกามาสองตัวมาตีกันอีตัวหนึ่งตายลนลงมาต่อหน้าเห็นเลยเอ่ะอีตัวคนตัวเป็มาขุดคุยคุยคุ ย, คยดินมันก็ดึงอีกาตัวตายเนี่ยลงไปในหลุมแล้วมันก็ฝังเป็นกูโบโหลุมแรกที่สอนใครสอนลูกของอาดามาลัยฮิสลามที่เอ็นทำทำบาปเอาไว้อ่ะท่านหลุมกูโบโหลุมแรกเนะี่ยใครสอน ถ้าไม่ฉับพ่าไม่ผ่านอัลลอฮ์นี่ไงะยะอายุหันออมมนุษชาโดเอ๋ยอันตุมุลฟุกอรอพวกคุณเนี่ยคุณพว่พวขาดทุกขาดทุกอย่างเลยนะ่นะเวลาเจอปัญหาคุณแก้ไม่ได้แค่เรื่องนึงอะ่ะไอที่แก้เองน่ะผิดหมดเลยนะฉะนั้นอิลลลอต้องอาศัยต้องพึ่งอัลลอฮ์สุภาหัวใาละ อ่าอีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆทําดีกับพ่อแม่ทํายังไงอทําไหถ้าคิดเองคิดไม่ออกอ่ะอัลลอฮฺก็สอนในกะฟิคุรอ่านผ่านนบีมูฮัมมัดทำดีกับพ่อแม่ทํำยังไงรู้งไหมอัลลอฮฺรับด้วยพ่อแม่สบายใจด้วยให้ทหําหอย่างขอที่เนืง่งวัแล้วจะพูดอะฮูมาอูฟอย่าพูดกับพ่อแม่ครับว่าเฮอ อีหูยาเห็นไหมนี่ทางออกอยังความรู้อันนี้มาจากไหนมาจากอัลลอ์เพิ่งขครเพิ่งอัลลอ์เรื่องที่สองวลาตันฮะรูมาอย่าไล่ท่านพูดมากเดี๋ยวจับไปอยู่บ้านพักคนชราพ่อก็เสียใจอะ่ะกูก็สร้างบ้านนี่นมึงหลังนึงพอกูแก่มึงจะเอาคู่บบ้านพักคนชราหรือให็นไหมพื่อนเออทำไม่ได้นี่ทางออกอยัง นี่พึ่งใครพึ่งกันละออีแล้วลอลเอามาก่อนคุณไม่รู้ว่าจะทำดีกับพ่อแม่ทำยังไงเรื่องที่สามวากุลลาหูมาเกาลังการีมาแล้วก็พูดจาดีๆกับพ่อแม่ทั้งสองวากฟิตลาหุมาจานะฮั ล, ลุลแล้วก็เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยอมตนลดเปลิงให้หมดที่คุณมีอยู่เนี่ยนั่งนอบน้อมทอมตนเาพ่อแม่เห็นแล้วสบายใจและเรื่องที่ห้า ขออาดให้พ่อแม่คนที่เดินตามคำสั่งอัลลอะ์โอ้พ่อแม่มีบราระกัดไหมพ่อแม่มีบราระกาัดตัวดูลูกเองก็มีบราระกาัต้องอาศัยใครความรู้เหล่านี้อาศัยอัลลอ์หมดเลยถ้าท่านถ้าคุณไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวนีนะชีวิตคุณจนะสเปสปะาหมดเลยนะใช่หรือไม่ใช่ใชอา้าวจะให้ริสกีเพิ่มทำยังไง เรื่อกีเพิ่มอะไรรู้ไหมให้ทําดีกับเครือญาตินี่ความรู้นี่มาจากไหนมาจากอัลลอฮฺอันตุมุลฟุกอรอพวกคุณเนี่ยขัดสนทุกเรื่องเลยอะ่ะจะทําความดีกับพ่อแม่ก็ทําไม่เป็นอ่ะฉันก็ให้ความรู้มาจะฝังศพทํำยังไงทําไม่เป็นฉันก็ให้ความรู้มาแล้วก็อะไรบ้างก็ทุกสิ่ทุกอย่างเนี่ยยกตัวอย่างแค่อสองสามรายการและอีกเรื่องหนึง่ง อย่างนมาจะเนี่ยอลัลลอฮ์ประกันอะไรรึเปล่านมาให้เวลาเนี่ยนะประกันคนนมาดไม่ให้ทําชั่วอินนอฟาตัตันฮะอนนินฟลาชัยูวยวลมุ่งกันแล้วก็บวกดีประกันอะไรรึเปล่าประกันตักวา่ลาละละกุมตตะกูลตักวา่กวาหมายถึงทําให้เราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทําบาปยัง นมาศให้ให้ประกันคนละอย่างนะนมาศประกันไม่ให้ทําชั่วถือบวชประกันตักวานะครับเอาทีนี้การไปทํำฮายีกับอุมรัประกันอะไรรูร้เปล่าที่เป็นความรู้ทั้งหมดที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดประกันให้คุณเนี่ยร่ำรวยขึ้นเห็นอย่างครับวันนี้หยุดแล้วก็อีหยางหนึ่งคนที่ดูแลาศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ประกันให้สีรายการนะ่ะ นำมาประกันรายการเดียวถือบวชประกันประการเดียวจ่ายประกาศประกันปัจจัป์ประกันเงินความคุณให้สะอาดแล้วก็ประกันหัวใจให้สะอาดแต่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคนที่ทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์เขาเรียกว่าด้ไออิลอัลลอฮ์นี่นะครับเขาเรียกว่ามูจาฮาดได้ในคนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกันให้สี่อย่างอะประกันอะไรนะมั้ยว่าทํางานาศาสนาเนี่ยหมายถึงต้องคิด ฉันจะให้อิสลามเนี่ยไปอยู่ในรังคาบ้านนั้นทำยังไงจะให้อิสลามไปอยู่ในรังคาบ้านนี้ทำยังไงถ้าอิสลามไปอยู่บ้านญาติของเขาที่เราไม่เอาศาสนาเนี่ยขวงอย่างนี้เ็าจกมุจจาะด้อลัลลอประกันให้4ีอย่างนะอะไรบ้างหนึ่งตัวของเขาปลอดภัยจากการลงโทษจอคอสองประกันบ้านคุณด้วยให้มีบริกัรสามประกันลูกคุณด้วยแล้วก็สีส ประกันเงินของคุณด้วยทรัพย์สินของคุณด้วยถ้าคนที่คิดเรื่องศาสนาเนี่ยอยากจะให้อิสลามเนี่ยไปอยู่ที่บ้านนั้นบ้านนี้บ้านนูน่นเราก็ต้องพยายามเนี่ยคนที่คิดเรื่องอย่างนี้แล้วก็ต้องเสียสละไหมแน่นอนครับก็ต้องเสียเวลาเสียความเหน็ดเหนื่อยของเราต้องเสียเงินอีกอาจจะนั่งขับรถไปก็ต้องซื้อน้ามันเติมมาอีกแล้วคนที่เสียสละแบบนี้ น, นะครับแต่คุทางของอัลลอฮฺ อลอประการไปกี่เรื่องสามสี่เรื่องด้วยกันนี่ต้องการจะบอกว่าต้องพึ่งอัลลอฮ์หมดทุกระไรการใช่หรือไม่ใช่ยาไอหย่หันในโรคโควิดมาเนี่ยเพราะไม่พึ่งอัลลอฮ์อ่ะใช่หรือไม่ใช่โรคโควิดมาเนี่ ย, ออ ย, ย, รคคยประเทศไหนมากที่สุดที่ตายอะ่ะอเมริกาอ่าพยายามกันนึกเองกันแล้วกันน่ะอาวุธเนี่ยมันซื้อกัน ทุกประเทศในโลกเนะี่ยความคิดของใครอะ่ะมใช่ของอัลลอเป็นความคิดไอเดียของยะฮูดีทั้งหมดแล้วเป็นไงครับเอาวันนี้อาวุธที่ซื้ อ, อมาเนี่ยนะศักษาปกป้องโรคโควิดได้ไหมล่ะต้องวิ่งหาหมอกวิ่งหายาใช่ไหมล่ะทำไมไม่หาอาวุธแล้วมาหารถถังล่ะนี่เห็นอยังครับไอยาไอยูฮันอุมนุษย์เอย อันตุมุลฟวกรอพวกท่านในี่ยัะขัดสนต้องพึ่งอัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องครับอย่าคิดว่าตัวเองแน่น่ะเห็นยังเข้าใจนะยกตัวอย่างแค่สามสี่อะไรกอ่าต่อมาครับวัลาหฮุอัลกวนียุลฮามีดละอัลลอฮ์เนี่ยกุนียุนแปลว่าทรงมีอย่างเหลือล้น ทรงมีอย่างเหลือหลายแต่ว่ารวยที่สุดในโลกอัลลอฮ์องเดียวนะมีทุกเรื่องอไม่ได้ขาดอะไรสักนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ขามีดุลได้รับการสารรเสริญยกย่องสรรเสริญอัลลอฮ์คนเดียวในโลกที่ผู้คนทุกคนจะต้องสรรเสริญแค่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็ถึงอัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงอัลลอฮ์แล้วสุบฮานอัลลอฮชมอัลลอฮ์แล้วโอ้พี่น้องในกุราน อายะอื่นอธิบายอายานี้อธิบายอย่างนี้นะครับฮาอันตุมฮาอูละตุดาวนะลิตุมฟิกูฟีซาบิลล่าพวกท่านทั้งหลายนี่นะครับเป็นหมู่ชนที่ถูกเรียกให้บริจาคในห้นทางของอัลลอฮฺเห็นยังครับเขาบริจาคที่มันเชงเงินอย่างเดียวนะบริจาคอะไรร่างกายบริจาคความรู้ บริจาคสมองความคิดที่มีอยู่ในตัวของคุณมีอะไรบ้างนะบริจาคออกไปบริจาคทำอะไรเพื่อไปดูแลงานาศาสนาของอัลลอฮฺอัลลอฮเห็นยังครับฉะนั้นใครที่คิดในเรื่องเหล่านี้นะอัลลอฮประกันหมดเลยนะกันี้เวลาเรียกร้องเชิญชวนแล้วเนี่ยมันไม่เอากันะ่ะไม่เอาอัลลอฮก็ควเล่นงานบึงบ้างนานๆเอาทีส่งโรคโควิดมา เจ็ดพันล้านนี่ปั่นหมดเลยลหาทางออกไม่ได้ด้วยคนที่หาทางออกได้คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านันา้นครับให้อยู่บ้านอา อ, อยู่อยู่กับหมดเลยใช่ไหมทุกคนรอเข้ามาล่ะเดินตามใครสุนนนะนบีเพราะนบีสั่งเวลาโรคอย่างนี้มาเนี่ยยมกุซูฟีบายตีเขาต้องกักตัวอยู่ในบ้านของเขานี่เป็นคำสอนของนบีเมื่อพันสี่ร้อปี วันนี้เอาลสุนานบีประชาเนี่ยเป็นอิหาบีหมดทั้งโลกแล้วนะวันนี้นะเพราแอนตี้สุนากันช่าง่ะอยากให้สุนาเข้าบ้านฉันอยากให้สุนาเข้าโเราฉันอยากให้สุนาเข้าคลองฉันแล้วเป็นยังไงวันนี้เป็นอิหาบีทั้งโลกเลยเงี้ยอัลสุนานบีมาใช้ล่ะใช้ทําไมล่ะถ้าเก่งจิงเอ็งแน่อย่าเข้าอยู่ข้างนอกอ่ะอ้าวอยู่ข้างนอกกับเพื่อนก็ไล่ตีอีกผมดูคลิปในในอิเดียเน่ย ก็เอาตำรวจปลอมนะเป็นโควิดอยู่ในรถน่ะตำลอมทั้งหมดเราจับคนที่พอนใส่หนาการใส่รถมันดิ้นพ่านอันนเรื่องเรื่องสังคมน่ะเอากระจายไปแล้วนะเรื่องทีนี้ต้องพึ่งอัลลอฮ์ท่นั้นเราน่ยอยู่เราตรงคนคนคนคนคนกี่โลกเอาเอาตอนนี้เอาเอาเอาแค่สามโลกนะโรกดุนยา นี่ถ้าโรคโควิดมาเนี่ยเรารู้แล้ววิธีป้องกันต้องพึ่งอัลลอ์เนี่ยนะผ่านความรู้ที่ผ่านนบีกักตัวอยู่อยู่ที่บ้านปลอดภัยอ่ะทีนี้ถ้าตายไปแล้วอ่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยที่เราที่นบีสอนเนี่ยจะต้องถูกสอบสวนกี่เรื่องอ่าสามเรื่องเน่งอะไรมารอบบูกาใครเป็นบบพุ้อภิบาลของท่านตอบว่างัอัลลอ ใครเป็นนบีของท่านมาถึงนบีมุฮัมมัดมาถึงซุนานบีเรื่องที่สามใครเป็นอิหม่ามของทูนมาถึงคัมภีร์คุรานแั ง, งครับตัวลงมามีอัลลอฮ์มีรอซูมีคุรานเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวทำลายพี่น้องอย่าไปมองผิดเป็นตัวช่วยให้ท่านอยู่สบายบนโลกดุนยาและตัวช่วยให้ท่านอยู่สบายในโลกอาคือว่าขอยกตัวอย่างเวลาฝังไปใน ในกูบูถ้ามาลาฮิกาสอบผ่านสามเรื่องแล้วนะตอบได้หมดเลยนะเวลาอาซาบจะมานะามาจริงๆด้วยนบีพูดอย่างนี้นามาศที่เรานามาศกันห้าเวลาเนี่ยจะไปยืนเฝ้าเราที่ด้านศีรษะเวลาอาซาบมาด้านศีรษะใครยืนอยู่นมาศยืนอยู่เป็นรูปคนเข้าทางนี้ไม่ได้เห็นไหมช่วยได้ไหม นี่ไงความรู้เนี่ยมาจากขายอ๋อลลเรื่องที่สองพอมาัยกามาทางศีรษะไม่ได้ก็จะมาทางด้านขวามืออสกากัาขวามือเนี่ยคนที่จ่ายสกาดทำโซรก็ทําบุญเยอะๆสกาดจ่ายประจำใช่ไหมจะเป็นยืนเป็นคนเฝ้าอยู่ด้านขวามือเวลาอาสาบมาทางนี้เข้าไม่ได้ไปหาทางอื่นเอ้า มายืนด้านมาอยมาทางด้านซ้ายมือใครมายืนแทนสียามถือบวชมายืนแทนเห็นยังครับตัวงว่าศรีรษะก็เข้าไม่ได้เพราะมีนมาดมาอยู่ขวามือก็มีอากาศก็อยู่ซ้ายมือมีสียามมีถือสิ้นอดแล้ไปที่เท้าละ่ะไปเจอการทําดีกับพ่อแม่การทําดีกับญาติพี่น้องการเดินมานมาดที่มัสยิดการทําดีอื่นๆดูแลคนอื่นๆทั้งหมดเห็นยังครับไปยืนปกป้องเราที่น้นด้านเท้า ปลอดภัยยังนี่ไอความรู้อย่างนี้นะมนุษย์ถ้าหัางไม่เอาเอาลัลลอฮ์นะเอ็งเจอทั้งบนดุนยาตายแล้วเจอการลงโทษที่คูโบอีกอไม่เชื่อก็ ม, มีปัญหาใช่ไหมยันทุลังไงไปเหรอใช่ไหมล่ะแพร่โรคโควิดมานี่นะหาทางออกไม่ได้เลยสักคนน ะ, นะครับอาวุธที่สร้างสร้างนะว่าที่อเมริกาสร้างนี่อยู่อแก้ปัญหาได้ไหมล่ะ วันน um ี beach, ้พอจะเห็นแล้วล่ะโอ้ใช่ต้องกลับมาหาใครอัลลและรอสูแล้กูนอ่านเท่านั้นถึงจะปลอดภัยเอาต่อมาครับอายาที่16หอิยาชาโยซาฮิบกุมวยะตีบิขัลตินจัดีดอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลอฮฺอัลลอฮฺฮ วายะติ د د> Allah, บิขัลคินจัดิดอัลลอฮฺ l ระคัติอัลฮ h ดดูข้าแปลก่อนนะครับอิยาชาถ้าหากอัลลอเนี่ยประสงคนะ์ยาชาแปลว่าประสงค์หรืออัลลอปรารถนาอัลลอประสงค์ดีกว่าเข้าใจง่ายดีนะอินแปลว่าถ้าหากถ้าหากอัลลอประสงค์นะยุซาิ บ, บกุมอัลลอจะทรงขจัด สูเจ้าให้ศูนย์พันนี่หนักหรือเบาเนี่ยหนักอิชายุสัฮิบกุมถ้าหากอัลลอฮประสงค์ยุสัฮิบกุมขจัดให้สูเจ้าทั้งหลาย น, นั่นศูนพันจากโลกใบนี้ให้ตายให้หมดเลยอ่ะเห็นไหมนี่โรคโควิดมานี่ก็เตือนให้รู้นะ มองมองตัวก็ไม่เห็นด้วยโรคโควิดอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ผมอ่านผมฟังจากสัมภาษณ์เขาเชิญโควิดมาสัมภาษณ์ข <c oughs> ถว่าคุณมาจากไหนเขาว่าเชื้อของฉันจากจากจากจากอะไรนะจากจีนกับของของของซาอุดีอะไรเมอร์สอะไรต่างสมัยก่อนเนี่ยนะมาอยู่รวมกันนิก้ากันไง ไม่ได้ผ่านการมีกล้าด้วยนะมาอยู่รวมกันในองการเป็นลูกเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยลูกระหว่างเชื้อโรคของประเทศจีนกับเชื้อโรคของซาอุดีสองประเทศนี้มามาอยู่กันแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานเป็นโรคโควิดก็ <c oughs> ยังมีนะครับอะไรเราก็อยู่บุญญาเราก็หาความรู้กันตรงนี้นะอาทีนี้ถ้าหากพวกท่านนี่นะถ้าอาลัลลอฮ์ประสงค์ ถ้าคุณอยู่บนโลกนี้ไม่เอากุรอานไม่เอาสุนนะนบีแล้วก็ไม่เอาอัลลอฮ์นะทุกวันนี้นะคุณเอาอัลลอฮ์องเดียวก็เยอะมีเหมือนกันมีแต่ทําศีริกมีไหมมียึดพระยึดอัลลอฮ์องเดียวยังพวกยะฮูดีนัสรอีเนะี่ยยึดอัลลอฮ์แล้วก็ยึดนบีอิสาเป็นลูกอัลลอฮ์เนี่ยผิดถูกหรือผิดผิดยังแรงเลยอะ่ะอัลลอฮ์ก็ไม่พอใจเหมือนกัน ส่วงมอมัดมาดาระบี่มอมัดอกีกใช่ไมอิยาชะยูจะฮิบกุมถ้าหากอัลลอฮประสงค์อัลลอฮจะทรงขจัดสูเจ้าออกไปคือให้พวกคุณสูญพันไปเลยเอาคนที่สูญพันไปแล้วในอดีตมีหรือไม่มีกลุมอาสมุตอยู่ที่ไหนโผล่ขึ้นมาสิเห็นยัง ฟาโรอยู่ที่ไหนเอาขึ้นมาฮามานกอรูนรวยที่สุดในโลกเอาเอามาไปไหนหมดละ่ะศูนย์พันหมดแลว้วแต่ว่าศพยังอยู่เห็นเอาที่เ ด, ดซีปัจจุบันนี่นะศูนย์พันยังศูนย์ไปแล้วแต่ยังเก็บเอาไว้นิดหนึ่งให้ดูอ่เพราะอะไรครับอ่ะเพราะเองอยู่แล้เ อ, เองไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอานาบีลูด แล้วกว็ไม่เอาคำพีที่น บ, บีรุธนำม า, มาสอนแล้วเป็นไงครับยุธหิบกุมอโลคาจัดที่ศูนย์พันหมดแล้วเห็นยังแล้วอันนี้ก็ลงให้กับคนๆๆคนคนคนอาดับซาอุดีดน่ะที่ต่อต้านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไทยเอ็ดันทุรังต่อต้านนบีมุฮัมมัดนาฉันจะคดจัดพวกคุณให้ศูนย์พันไปไมแล้วก็ วัยตีบิคอลกินจดีและอลัลลอฮ์ก็จะส่งนำมาซึ่งการเกิดใหม่คือคนรุ่นใหม่อลัลลอฮ์ว่าก็บานเนี่ยคนรุ่นใหม่ตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่เมืองไทยยังไม่น่ะเด็กรุ่นใหม่นีนมีปัญหาขึ้นมาพวกมีภาคการเมืองยุบหมดะระวังไอ้ดีกันแล้วกันนี่ไม่แต่การเมืองนะเ ป, นเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเต่านั้นเอง อิยาชาอยุเหิบกุม ah um. ถ้าหากอัลลอ์ประสงค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์จากขจัดสูรเจ้าออกไปเสียก็ได้ให้ศูนพันอัลลอ์เคยทำมาแล้วถ้าจะทำมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมโอ้โหทำมันจะทำไม่ได้ใช่ไหมเมื่อขจัดพวกคุณที่ต่อต้านอิสลามต่อต้านมุฮัมมัดต่อต้านกุรานต่อต้านอัลลอ์เนี่ยนะ ให้พวกคณคจัดไทศสวนผานแล้วก็จะนำมาอะไรรู้มหมยะที่จะนามาคอนกินแปลว่าการเกิดอย่าดิด้นไม่เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนตอนนี้คนรุ่นใหม่เข้าเข้ามาแทนแล้วรู้ไหมใครอะ่ะเคยรี่ทัดดิสใช่ไยุคที่ดีที่สุดยุคไหนคอยรู้กูรู้เนี่ยกรณี สุมาลารีนายาลียาลูนาหุมสุนายาุมนับนบีพูดสครั้งยุคที่ดีที่สุดคือยุคของนบีมุฮัมมัดผ่านมาแล้วแล้วก็ยุครองละมายุคบรรดาซัวบ้านนบีแล้วก็รองละมายุคตาบิยอีและตาบียอิตตาเบียประมาณ300ปียุคนั้นเป็นยุคที่ดีที่สุดจะเรียกว่าคัลคุนยาดิสได้ไหม คนรุ่นใหม่ที่มาแทนคนรุ่นเก่าที่ไม่เอาศาสนาได้ไดไหรือไม่ได้ได้ครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เก็บชีวิตของนบีความรู้ของนบีสฮฮานาบีที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรียนอิสลามมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์เก็บเอาไว้ครับแล้วก็ตาบียอิดตาบีอินสมสมัยประมาณ300ปีอัลลอฮ์เก็บเอาไว้ให้เป็นแบบ ถ้าเองต้องการจะให้อัลลอฮ์พอใจคุณให้ยึดแนวของนบีเป็นแบบยึดแนวของสวบ้านนบีเป็นแบบยึดแนวของตาบียฮิตตาบียอินเป็นแบบว่าเขาอยู่กันยังไงอ่ผมขอเล่าให้ฟังก่อที่นบีประมัดจะมาเนี่ยอัลลอฮ์ก่ที่นบีประมัดจะมาเนี่ยนะรู้มาในสมัยนั้นนะมีความเลวอะไรบ้าง พูดสัก 3-4 มสี่เรื่องกระพอนะหนึ่งคนก่อนที่อิสลามจะมาก่อนที่นบีขุนหมัดจะนำอิสลามมาอีหมานมามาต้ากวานเนี่ยนิสัยของคนเหล่านั้นหลงดุนยาหลงดุนยาอธิบายยังไงหลงเงินหลงชื่อเสียงเกียร ต, ติยศตำแหน่งแค่นี้แหละแล้วก็สิ่งสีประการเนี่ยอยู่อ ย, อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในสภาหมดเลยใช่หไม่ใช่ เห็นไหมเนี่ยหลงหลงดนยานั่นนิ ส, สัยของคนอาหรับก่อนที่อิสลามจะมาหลงดดนยาหมดเลยข้อที่สองนะครับพวกเขาเนี่ยไม่เอ า, าศาสนาทิ้งาศาสนาอยู่ยังอิสระเห็นหนี่จังดีน ะ, ย, าานะ ย, ยังเอาศาสนาบ้างอย่างอย่าเอาเวลาคนตายยังฝังยังเอาบ้างนะนะแค่นี้พอนะ ต่อมาเรื่องเรื่องที่สามเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูวไม่ช่วยใครท่านั้ น, นแหละท่านอยู่ครอบครัวคนเดียวเอต่อมาเรื่องเรื่องที่สี่ปฏิบัติตามอารมณ์ที่ผ่านมานะปฏิบัติตามอารมณ์ปฏิบัติตามอะไ ร, มาารใช่ตอนใช่หรือไม่ใช่ข้อที่ห้านี่นะตัดขาดกับเครือญาติทะเลกกาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ย เกียดกันเป็นสิปีถึงร0อยปีนั่นชีวิตก่อนที่อิสลามจะมาแล้วเป็นไงถ้าไว้เรื่องตัดขาดกับเครือญาติเรื่องปฏิบัติตามอารมณ์เรื่องเห็นแก่ตัวเองหลงดุนยาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีนะเอเราต้องเก็บเอาไว้ใช่หรือไม่ใช่แต่ทำไมไม่เก็บล่ะให้มันสูญ่ันไปเอาอะไรมาแทนเอาคุรานมาแทนเอาสุนานะนบีมาแทน เอานับดุลับิรมมดมาสอนให้รู้จักเอลลาลอบมาแทนแต่ที่พอชาวบ้านอับดุลเบิรับรับรับอิสลามเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันจริงๆนะ่ะขอยกตัวอย่างนบีุลเบิรทําเป็นแบบเอาไว้อย่างนาบีสอนเรื่องการให้อภัยนะ่ะไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะทําเป็นแบบไหมทำอับดุบิให้อภัยกับคนที่ด่านาบับีใช่หรือไม่ใช่กับคนที่ควาา้างอบีใช่ไหม กับคนที่ใส่ได้นบีใช่ไหมตอนไปไหนมังตัวอิฟอะถูกสามเรื่องใช่ไหมขณะมาลิกาลงมาแก้แค้นมาจะให้คนที่บองตัวอิฟตายให้หมดนบีว่าไงไม่ไม่เอาขอดอวยอีกอละหุมมฟาฟิดละหุมฟาอินนหุมละยาละโมใช่ไหมเอาการให้อภัย ม, มาแทนวันนี้ถ้าโลกเราเนี่นะคนที่อยู่บนโลกนี้ เพันล้านเนี่ยนะมีการให้อภัยกับคนนะ่ะจะดีเลยไม่ดีโรคโควิดไม่มาแน่นอนครับเพราะวันนี้การให้อภัยมันไม่มีใช่ไหมล่ะถึงได้สร้างอาวุธกันเยอะมากใช่ไหมฆ่าคนนั่นฆ่าคนนี้นนอลัลลอฮฺอักบาร์เห็นหรือย่างแล้วก็ต่อมากับการเห็นกับตัววันนี้เห็นแก่ตัวเยอะเอาระบบเอาความรู้ของยาเลียมาใชาอา้อัลลอฮ์ก็เลยต้องการจะเตือนน่ะ นี่มันจะลงโทษนะเตือนนะเลิกนะเห็นกกบตัวเลิกได้แล้วหลงวัถววตถุเลิกได้แล้วแล้วก็เห็นแก่ตัวเลิกเลิกได้ไม่เอาศาสนาเลิกได้แล้วศาสนาที่คุณยึดยึดอยู่นะมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ถูกนะไปกราบสิ่งอื่นกราบจวเจวิตั้ง 100, ววร้อยพันเจวิตนะใช่ไหมล่ะอะไรศักดิ์สิทธิ์กราบบนนะ่ะเลิกได้แล้วหันมากราบใครอัลลอฮ์องเดียแบบ ชีวิตของบรดาสวาบานนบีครับเอา้ามีอยู่คนหนึ่งนบีเนี่ยมีเพื่อนคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อยู่พ่อของท่านอิมรอิมรอนเนี่ยอิมรอนฮุเซนนะครับนบีพบกับพ่อของอิมรอนฮุเซนนบีถามอย่างนี้ <c oughs> คุณเนี่ยวันนี้กราบเจ ว, เวท กับพระเจ้าของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกี่รูปกี่จเวษเขาบอกว่าเจ็ดหกอยู่บนโลกดุนยาอยู่บนแผ่น ด, ดินนี้อะไรบ้างเขาเอ่ยชื่อนะอะไรอยาอุกยากูา ส, น, สานาสลาตบานาตอุซานี่เป็นคนซอแร่มุดเลยแบบ ต, ต, ต๊ะตะเกียดนี่แหละ ต, ต, ต๊นตะเกียรแล้วอยุทยาเนี่กูบโบกูบโบกูบโบเต็มหมดเลย นบีถามว่าวันนี้คุณกราบเจวเวตกี่วิกิเจวเวตแล้วก็บอกว่าเจ็ดหกอยู่บนดุญาซึ่งเป็นกูโบหมดเลยและ อ, อีกอีกรูปหนึ่งอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะใครอัลลอ่านาบีก็ถามอีกเพื่อนกันนะแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณมั่นใจองค์ไหนฉันนั้นมั่นใจองค์ที่อยู่บนชั้นฟ้าไอ้องค์ที่หกหกองที่อยู่บนชนออั้ 6, 6, 6, นแผ น, นดินนี่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะ พงข้างบนเห็นยังครับเนี่ยถ้าหากว่าคนนี่นะเป็นอย่างนี้กันหมดทั้งโลกเนี่ยถามว่าดีดีหรือไม่ดีไม่ดีถึงจะมีโรคนุนโรคนี้มานะที่ส่งนบีมุฮัมมัดมาต้องการที่จะมาเตือนมนุษย์อะอะไรที่มันอยู่แบบผิดผิดจะเลิกได้แล้วฉะนั้นยึดอัลกรุรอานยึดสุนนะของท่านนาบีเป็นตัวช่วยให้ท่านอยู่บนโลกใบนี้แบบสมางาเอาต่อมาครับ ตัวลงว่าต้องเอา إ ي م านมาแทนนะเอาตกวามาแทนถึงจะสงบใช่หรือไม่ใช่อาทยอายะที่15หนะครับอายะที่ 16-17 เจนะครับว่าจะวามาได้ะอัลลอฮฺบิอัีก๊าซว่มาได้ค่ะอัลลอฮฺบิอัลก๊าซิสอัลลอฮยานิ เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนนู่นจะขจัดให้คุณศูนย์พันสำหรับอัลลอ์เนี่ยง่ายหรือยากง่ายนิดเดียวเลยกันยังท่านใครใหญ่ในโลกนี้อัลลอ์ใหญ่ที่สุดเนี่ยวันนี้ที่ผ่านพามาเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใครครองโลกไปนี้อเมริกาใช่ไหมนี่ทำท่าจะจะหมดแล้วนะใครมาขึ้นแทน จีนมาขึ้นแทดพอค่อยดูบรรดานิยญญานะก็สมัยนบีก็มีพวกกลุ่มโรมันกลุ่มโรมแล้วก็กลุ่มเปอร์เซียใหญ่สุดพี่น้อง น, นบีปราบเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมอยู่ใต้เป็นมุสลิมกันหมดเลยอ้าวเ่าแค่นั้นพอนะอะทีนี้อัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนนี่นะจะยุบคนนั้นหรือว่าจะให้พวกคุณศูนพัน แล้วก็จะนำคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนี่ทำได้ไหมได้ให้กลัวไว้ด้วยเองอย่ายึดอะไรผิดผิดเองอย่าทําอะไรผิดผิดถ้าทาผิดมากๆนี่นะถ้าคนทั้งโลกเนี่ยทผิดตามคุณมากๆนี่นะอลอก็จะเล่นงานคุณเหมือนกันจะนั่นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากการสร้างอาวุธทำลายคน มาเปลี่ยนกันสงสารคนเมตตาคนช่วยเหลือคนไม่ดีหรือเปลี่ยนไม่โรดโควิดนี่สอนนะครับทีนี้อลัลลอฮฺสอนอยางกับฟรุอานนะผู้ที่จะชนะนะใครเรื่องแพ้ไม่มีมิแต่ชนะชนะชนะเร า, าสออย่างนี้ในอายะอื่นนะในอายะที่กอฟิรสุร่ที่กอฟิรสุร่ที่ สีสิบหกอายาที่ห้าสิบเอ็เปิดดูเองก็ได้อินนาเรนาสูรูรูู้่านาคนเหล่านั้นอ่านนุ่มในชีวิตในโลกและวันที่ดีที่สุดแปลว่าโดยแน่นอนยิ่งเราช่วยเหลือ อัลลอฮ์พูดในกะิกุรอานอธิบายให้โลกฟังอัลลอฮ์จะช่วยใครให้รอดทั้งดุลย์าทั้งอัลลัมบัตซักทั้งอาคิร้องเนี่ยจะช่วยใครให้รอดรูซูลานาโรซูลของอัลลอฮ์ทุกคนรอดหมดบีอาดามรอดอิดุลีทั้งหมดนบีทั้งหมดที่ไม่มีชื่อแต่เป็นแสนนะโรซูลของอัลลอฮ์ทั้งหมดรอดหมดแล้วใครอีกครับ วันละดีนะอามานูและบรรดาผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์รอดด้วยอีมานต่อรนะยุกยุคอาดามขึ้นมาน่ะเห็นไหมล่ะยุบนัวยุคนูนยุคผ่านนบีนบียุคพวกเราวันนี้ก็รอดถ้าเขาอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูนอีมานต่อคำพีของอัลลอฮ์อิมานต่อสุนน่านบีรอดหมดต่อมาครับฟิลติดุ y a าในโลกอาคิรอ และในวันกิยามาด้วยรอดด้วยครับเห็นยังสบายใจจะได้ถือบัวญาขาดอ่านกรอ่านสม่ำเสมอยึดสุนน่านาบีใ น, นการปฏิบัตินะครับจะเข้าบ้านอ่านดุอาอย่างไงเข้ามัสยิดอ่านอ่านดุอาบทไหนเข้าเข้าวสวมเอาเท้าอะไรเข้ายึดหมดให้อภัยคนมัจะเรื่องเสียหน้าเพราะนบีทําเป็นแบบมาไว้อีกอายะหนึ่งกาตบัลลอฮูละอาลิบัน อ่านเอาไว้รู้สุอัลลอฮฺว่ากับสุร่ามุจาดละนะรับอายะที่ยี่สิบอ็ดอัลลอฮเนี่ยได้กำหนดกำหนดนะได้วางกฎเอาไว้เลยนะกฎนี้ไม่เปลี่ยนนะและอัลกลีบันนะฉันอัลลอฮฺจะชนะ <c oughs> อ่านนฉันชนะอ่าอน่าพูด ส, สองครั้งนะ ดาอัลลีบันนะ่นะชนะชนะอานาชนะชนะอีกเราใครอีกครับวารุสูลีและรสูลของฉันทั้งหมดเนี่ยชนะหมดครับอ่นานบีที่ถูกฆ่ามีไหมอ่ะเพราะถูกท่าตายอะไรตายชีวิตเห็นยังชนะยังไซ <c oughs> นาอุมารนา่ะเสียชีวิตเพราะถูกแทงกําลังนะมาสุโบที่มัสยิดนาบาี ใครที่แทงหรือเปล่าคนจากเปอร์เซียอิหร่านสง่งไปอยู่เก็บตัวประมาณหลายปีวางแผนฆ่าฆ่าได้สำเร็จนะเอา้าคนฆ่าชนะหรือคนตายชนะคนตายชนะครับคนฆ่าก็เรียกว่าเป็นคนที่ฆ่าคนโทษมีหนระือไม่ ม, ม, มีเป็นอาชยากรนะใช่ไหมล่ะคนฆ่าวนโทษใหญ่ั้ยใหญ่แต่คนถูกฆ่าเป็นตาชดเหตุใคาชนะก็แน่ อามาดูค น, คนคนคนที่ชนะนะกูโบนบีกับกูโบใครนะท่านอบูบักและกูโบของท่านอบูท่านนาอุมารเนี่ยเขาฝังคู่กันนะหลังจากนั้นอีกหกสิบห้าปีกำแพงนี่มันพังกำแพงกูโบนบีนมันพังนะคนก็มาดูกันเยอะแล้วก็พอมันพังออกมาแล้วมันเจอเท้ามาเจอเท้า ขวานนี่สงสัยท้านาบม ย, ยังสดสดอยู่เลยไม่ได้เน่าเลยปรากฏว่าท่านอุรุวะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านนาบีพวกตาบียอิด ต, ตาตาบียอินยังอยู่ก็บอกมองดูลขวานท้าเนี่ยมันจะท่าเท้านาบีเป็นเท้าของไซดีนาอุมัตอติยอลลั่วันยังสดสดอยู่เลยหกบหปีมันต้องเน่าใช่ไหมล่ะแต่ทําไมไม่เน่าอ่ะ ไแล้วครับนี่นี่ เ, เล่าเล็กๆในโนอต ใ, ให้ให้ฟังนะแล้วก็เนี่ยอาจารย์สุดยาลเล่าอยู่เพืฟังอาจารย์สุบยาเรียนหนังสืออยู่ที่ที่อยู่ที่ริยาด น, นี่ยมีฝนตกฝนตกฝนตกฝนตกที่กูบูบางเทียนนะ่ะดินมันก็หายไปหายไปหายไปเจอศพมีเลือดไหลออกมาในศพนั่นนะ่ะพันฝังประมาณพันสามร้อยกว่าปีแล้ว เป็นพันปี น, นะมันหก6 6สิบห้าปียังมาอันนี้พันกว่าปีนะ่ะเขาก็ไปเาไปไปไปดูศพเขาว็เหี่ศพศพผ่านยลุงท่านนาบีอยู่ยังสดสอยู่เลยอ่ะเลือดยังไหลยอยู่เลยอ่ะเพราะตอนตายเนี่ยตายแบบคนตาชีหิตน ะ, น, ะ น, นั่นชนะอะไรยังนี่ไงละอักลบันนอานาวารุสูลีอัลลอฮพูดนกุบกนประกันเอาไว้น่ะ ไอ้เข้ามาชนะเนี่ยมาจะประสบไม่ได้เน่ามาจะไม่ความอย่างนั้นบอกไอ้ที่เน่าก็เน่าได้เพราะว่าเรามีก้นกบรู้เพราะในวันเกียร์มาเนี่ยเกิดกันหมดทุกคนละแต่ว่าคนที่ชนะก็คือคนที่อยู่กับอลรรย์อยู่กับประซุลกับอยู่กับสุนน่าของท่านนาบีอยู่กับอัลกุรอานชนะตลอดเวลาถ้าตายก็ตายแต่ทางที่ดีหมดเลยถึงจะฆ่าตายก็ได้นะครับพี่น้องอัลตอม า, อายะยาสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละ อายาที่สิบُปดว่าจะจีรัว د ีรตุนวิจารอัคราวินَัดَาวมุสกาลตุนอิลามลิฮะลาอูอมัลมินชัยวะโลกานะกุรบะ إنما تنظر الذين يخشون ربهم ب ا ل ل ي ب واقام الصلاة، ومن تزكى، فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، الله أكبر الحمد لله. ولا ت ز ِ ر و ز ِ ر ة و ز ر َ أ أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذ ا ُ ر ب ا إنما ت ذ ِ ر الذين يخشون ربهم ยั بال الله ่ขชาวนรับบุมในลึ่ง م ا ل แ ل ะอัลกามุสซาลาห์และท่านจะจَกก์แลَอินนามะَ إ ِัَก์ลินัฟซีและอิลลอัลลอฮิลมาซีร์อั ل ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัล ชีวิตบนดุนยาเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นพ่อแม่กันครอบครัวเรียวกันหรือเพื่อนเพื่อนกันเนี่ยช่วยกันได้ไหมช่วยกันได้อยู่แล้วเช่นไม่สบายพาไปหาหมอกันอะไรกันช่วยกันได้ไหมบนดุนยาวันนี้ได้เวลาตกทุกข์ได้ยากปลอบใจกันระมีผลบุด้วยนะช่วยกัน แต่พอไปในโลกอาคิรอเนี่ยช่วยได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์เล่าใ น, นพัมร์คุรนนานายะอื่นนึงว่าไม่ช่วยกันแล้วยังวิ่งหนีกันอีกพ่อวิ่งหนีลูกภรรยาที่รักเรา ว, วิ่งหนีสามีเอาตัวรอดต่างคนต่างเอาตัวรอดนี่อลัลลอฮนะ์เล่าก่อนนะเล่านาคีรอุานไว้ก่อนนะ อาบ่า อ, อบินนีรีรเละกับอวิ่งหนีกันหมดสามีช่วยภรรยาไม่ได้ภรรยาช่วยลูกไม่ได้พ่อช่วยลูกไ ม, ไม่มีใครช่วยใครได้เลยแต่อยบนดุนยาไปนี้วันนี้อยู่แบบไม่ช่วยกันมีไหมมี อยู่แบบเอาชีวิตในคือรอดมอาใช่มีไหมมีจนงเจอโรคโควิดนะนี่ถ้าอยู่แบบช่วยกันนะไม่ดีละ่ะยกง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเดืนอนละมาอนเนี่ยนบีสั่งนะมุฮัมมัดเอ้ยบอกกันนบีนะบอกกับอุ ม, มาท่านนะ่ะให้แบ่งอาหารการกินเป็นความดีเป็นการซักพวกหัวใจให้สะอาดด้วย ทำอาหารเยอะๆใส่น้ำแกงเยอะๆแล้วก็ตักแจกอ่ะแต่งกันสี่ห้าบาทอ่ะแบ่งกันบานนั่นบันนี้บันนี้บั น, นั่นดีมเนี่ยนี่ช่วยฉันนะมันลงลงปัญญาไปนี่เคนที่มีาศาสนาคนที่มีอ ي มันเขาทำแต่คนที่ไม่เอาใครทำไมตักให้มันเื่อเรื่องอะไรเมื่อวานมันด่ากูนะอยู่กันอย่างนี้ไปพี่น้องไม่ใช่นะ มันต้องเหยียบอารมณ์ด้วยการเหยียบอารมณ์เป็นศาสนาไหมเป็นศาสนาครับเอาใครเป็นคนที่เหยียบอารมณ์คนแรกนบีมุฮัมมัดถูกขว้าถึงเมืองต่อเอฟเหยียบอารมณ์บาปเหยียบครับแล้วก็ให้อาภายอัยเองขออุราอัลลอฮ์จ่าอย่าลงโทษเขาเนี่ยเหยียบอารมณ์แล้วให้อาภาัยแล้วกลับขอดุอาอีกต้องดีแล้วไม่ดีคนที่ทําตามนาบีนะโควิดไม่มาครับ แต่นี้ไอซูนานบีข้อนี้นมันหายไปแล้วจากโลกดุนยามันก็มีอยู่ตามบ้านจนๆจนอย่างพวกเราเนี่ยเอามาใช้กันอยู่อัลลอ์ก็จะประคองกันว่าอิชอาลออเอาดูดูกุรานวลาตาซีรุลาแปลว่าไม่มีผู้ใดตาซีรแปลว่าแบกภาระไม่มีผู้รดแบก ไม่มีผู้ใดมาแบกไม่มีใครมาแบกวาสุตรตุนภาระภาระแต่ละคนแต่ละคนมีมีภาระไหมมีครับแต่ไม่มีใครมาแบกภาระวิสุรุวิสรุสรุอุคราภา ร, ระของอีกคนหนึ่งอุคราแปลวคนอีกคนหนึ่งไม่มีใครมาแบกภาระแทนอีกคนหนึ่งได้ เรานั่งอยู่ใกล้กันสองคนคนที่มีคดีกับคนที่ไม่มีคดีอันไหนนั่งมีความสุขกว่ากันนั่งอยู่ใกล้กันนั่นแหละคนมีคดีในเครียดเห็นตำรวจเดินมาจับกูหรือเปล่าเห็นยังครับอย่าให้มีคดีเลยนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละคนก็มองวออ่าไอคนนี้เลวคนนี้ดี <c oughs> เห็นไมล่ะ นีอ่อรรถเตือนนั่นฉะนั้นไม่มีใครมาแบกภาระของอีกคนหนึ่งได้ภาระใครภาระมันถูกสอบในวันกิยา ม, มากทุกคนช่วยกันไม่ได้แล้วอยู่บนดุญญาเนี่ยช่วยได้ไหมได้พี่น้องแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอรลถ อ, อีกแค่แบ่งอาหารยิ้มกันให้อาภายัยมีรางวัลเยอะไปหมดพี่น้องสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพี่น้อง ภรยานวดสามีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ภรยานาบีสาผมนบีมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นบีเลยพูดบอกว่าภรยาฉันทุกคนนี่นะเอานลัลรีช่วยเหลือฉันแต่มีอยู่ภรยาอยู่คนหนึ่งอะ่ะช่วยในทางที่ผิดภรยาของนาบีอาดัมช่วยสามีให้ทําผิดชัเห็นยังครับนี่นาบีมาพูดเองอะ่ะ ภรยาฉันมีกี่คนก็ตามแต่เอานันีช่วยฉันหมดเลยอ่ะไม่มีใครหน้า ง, งอกับนบีสักคนหนึ่งก็ทวผู้หญิงนิดหนึ่งนะยังหน้า ง, งอกับสามีเลยคิดทั้งวันตอบแทนจะเอลอกในอาร์ครอโนนเอาดูรูปแบบภรรยาณบีเป็นแบบให้หมดนะดูแลสามีให้ดีไม่ต้องให้อุ้มสามีก็ผู้เจ้าพ่อสามีก็ชื่นใจแล้ว แล้วก็สามีก็เหมือนกันต้องเอาใจสามีเอาใจภรรย า, าต่อมานะวาอินตัดาวถ้าหากท่านเนี่ยจะเรียกเรียกคนมาช่วยาวาอินตัดองค์ือดูอาเนยเว่าเรียกมาขอกันถ้าหากจะขอให้ใครมาช่วยมุสกอรตุนภระหนัก มาช่วยแบกภาระหนักของฉันหน่อยมุสมุสกอล่าแปบลบว่าภาระที่ฉันแบกอยู่นี่มันแย่เอาละความจริงไงคงว่าแบกบมันไม่ใช่แบกบปูลแบกบแบกบแล้วแค่โรคโควิดมาเนี่ยแค่หนักใจก็แบกใช่ไหมจะดูโจอว่ า, า, ออาเฮ้ยเอาอาผ้ามาปิดปิดหน้าก่อนอระวังระวังห่างกันหน่อยใช่ไหมแค่นี้ก็ อ, อึดอัดแล้วนะคนเยอะๆไม่กล้าเข้าอ่ะเห็นยังครับ ไอมุสคอนะแปล ว, ว่าของหนักที่จะต้องแบกอยู่ในวันเกียร์มาเพีนว่ามันหนักจริงๆนะไม่ใช่หนักเล่นๆนะอะไม่เชื่อลองดูวันนี้อลรถเล่าผ้าวันเกียม์มาให้ฟังนะอิลามลิฮาไปแบกภาระแทนของหนักของฉัน ลายมัลมินหุชัยไม่มีใครสักคนหนึ่งแบกรับภาระหนักได้เลยความจริงพูดมันก็ ม, มันก็กลับกลับไปกลับมาภาษาหรับนะแต่ต้องการอธิบายได้ว่าบาปใครบาปมันถ่ายโอนกันไม่ได้ถ่ายโอนกันไม่ได้ไไดใครมีบาปหนักก็ ถ้าจะมาให้บาปหนักต้องรีบเตาบะตัวก่อนโดนโลกดุดยาใบนี้ก่อนตายถึงจะรอดถ้าอย่างนั้นไม่รอดครับอวดดี่ะฉันอยู่อย่างนี้แหละเองจะทาําไมฉันจะยืนด่าคนนี้แล้วเองจะทาําไมฉันจะเอาไม้วิ่งตีหน้าคุณฉันจะทาําไมเชิญนีแล้วก็คดีนี้นะ่ะไม่จบนะไปจบที่วันกิยามานู่นน่ะไปเจอที่สะพานสิรอดด้วยนะ่าานยนะ มันไม่ใช่จบแค่โรงพักที่ไหนแล้วอะโรงพักเนี่ย เ, เงินญาตก็จบใช่ไหมลนะ่ะอย่าว่ายาตีอย่ามาบอตำรวก็ดีเยอะไปเลยนะอยากคิดว่าจบบนดุนยานะไม่จบนะถ้าเองไม่เตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวมหาอลัลลอฮนะ์น่ะเองเจอด่านใหญ่คือวันเกี่ยมะนักว่าโลกดุนยาเรียต่างเยอะฉะั้นเป็นคนดีดีกว่านะฉะนั้นบาปของใคร จะไปมอบให้ใครแบกแทนได้ไหมได้แต่บนดุนยาเนี่ยช่วยได้ไหมช่วยได้ปอบองปอบใจกันได้ไม่มีปัญหานะครับเอาต่อมาครับตัวหลงว่าบาปใครบาปมันนะขอร้องมาช่วยแบกได้ไหมคุณนายขอร้องมาช่วยแบกบเอาลอกบอกไม่ได้อนี่เป็นกฎกติกาที่เอารอวางไปเลยต่อมาครับวาลาวกาลาโกรบาโกระบาบาวา่าย่าใกล้ชิดถึงแม้ว่า จะเชิญจะเรียกขอร้องญาติใกล้ชิดมารับผิดชอบแทนช่วยแบกบาปของฉันน่อยก็ไม่ไม่อนุญาตให้ทำนเนี่ยอัลลอเล่าก่อนนะให้รู้ไว้ก่อนนะเอทํำบาปอะไรไว้คนอื่นมารับแทนได้ไหมไม่ได้วันดุลยานี่เขาชายกันอยู่แล้วไม่ใช่บาปใครบาปมันนะโทษใครโทษมันนะเห็นหมผมคุยกับธนาตอะเาวาคดีอาญาเนี่ย ไม่ลามไปหาคนอื่น อ, กอนาก็อายานี่ยไมใช่คดีอาญาแต่ละคนไม่ลามไปหาบุคคลที่สองใครทำอ้ไยคดีอาญาเองเจอไม่ลามไปหาเมียไม่ลามไปหาลูกเลยทำใครทำใครเจอเอาต่อมาครับญาติพี่น้องก็ลามไม่ได้เห็นไหมวันเกียร์มะแน่นอนสับสนสุดเอาต่อมาครับ อินนามาตุนซิรุลลอฮีนนยะชาอูนรับบะฮุมบิลออยบนี่พูดถึงน บ, บีมุฮัมมัดแท้จริงน บ, บีมุฮัมมัดนะั้นตุนซิรุมาในฐานะผู้ใดตักเตือ น, นไม่ใช่เป็นพระเจ้ชชาแบบน บ, บีอีสานี่พวกผีน้องยัฮูดีนัสรอนีแลเราประกาศน บ, บีอีสา ถ้าจริงนบีอิสรากับนบีมบรธมาตําแหน่งเดียวกันมาทําร้ามาเป็นผู้ตัดเตือนมาสอนอัลลอีนายักช้านารอบบะฮุมสอนใครละ่ะที่เขาเชื่อเลยนะ่ะก็คือคนที่ยักษนะ์เจ้านะเกรงกลัวรอบบะฮุมพาผู้อาภิบาลของเขาเห็นยังครับนบีที่มาในโลกนี้นะ่ะนบีมหามาสอนมาสอนให้กลัวอัลลอ์ แบบนบีอีสาสอนให้กลัวอัลลอฮ์นบียูซุฟสอนให้กลัวอัลลอฮ์สอนนบีอิบรอฮมยูซุฟยูนุสอิลยาสสอนให้กลัวอัลลอฮ์หมดเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์องไหนบินลอยที่มองไม่เห็นตัวเห็นยังครับนายามรับล้มองไม่เห็นตัวเป็น้องแต่อัลลอ์เล่า ว, ว่าฉันสร้างนูนสร้างนี่ดูเอาเองอน Allah, ี่อัลลอ์มีอ่ะอ้าวชันฟ้าแผ่นดินใครสร้างได้ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนอัลลอฮ์เนี่ยโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์ใครใหญ่กว่ากันเกิดขึ้นมาเองได้ยังไงดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าโลกในประมาณเท่าไรเนาะเยอะนะผมเติมเลืมเลิมตัวแรกไปแล้วเห็นไหมนี่เกิดขึ้นมาเองหรอนี่ไงอลัลลอฮ์สร้างดังมุจ น, น, นกลัวอลัลลอฮ์ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราไม่เคยเห็นหน้ า, อ, าอัลลอฮ์นบีมูซาเคยขอดวอายอย่างนี้อลัลลอฮ์จะให้อย่างเห็นหน้าพระพักอัลลอฮ์จังเลย อัลลอฮฺว่าวเห็นฉันไม่ได้ยากเห็นอานาบีอัลลาอ า, อ า, อามองมาที่ภูเขารัศมีมารัสมีมาสรุปว่าพอฟื้นขึ้นมาฉันยอมแล้วบนโลกดุจยาไปนี้ฉันเห็นอัลลอไม่ได้นี่ภาษาการของนบีมูลลฮััอันใหญสลาพูดอย่างนี้ครับเห็นไหมด่ลอซาถอดรองเท้า วัคละนาอะไรกัตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่สะอาดบริสุทธิ์ถอดรองเท้าดูนี่ทำไมเราเข้ามัสยิดถอดว่าก็บ้าเราต้องสะอาดเอารองท้ากอมาทำาะไทในมัมสยิดอย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องนึกเยอะนะออาต่อมาครับ แท้จริง น, นบีมัดมาในฐานะผู้ตักเตือนคนที่กลัวพระผู้อภิบาลของเขาทาั้งทังที่บิ่เลย์ยามไรนะ้นายามที่มองไม่เห็นทั้งทั้งเราไม่เคยเห็นนะอลัลลอฮ์นะต่มาอีกว่าอักอมุสลัลและนบีมาสอนให้เราหนามาให้ครบวันละหเวลาไห็นไหมงานที่หนามาก็ดีงานกลัวอลัลลอฮ์ดีเป็นงานที่ปกป้องโลกโรคโควิด อาซาบไม่มาครับคนที่นมารครบห้าเวลาเอเราประกันอะไรรู้เป่าประกันตันทาอันินฟาซาอิวัลมุงกาสอ่าส่วนนบีนะเราประกันทุกรายการเลยนะเพราะเป็นคนนําศาสนาไปสอนคนจึงได้รับรางวัลจาก อ, อัลลอฮ์มากกว่าคนอื่นฉันเราเอ็มประกันได้ได้ความรู้อย่าไปนอนก่อนความรู้เอาไว้เอาไปสอนญาติพี่น้องเราอิสลามต้องไปอยู่ในบ้านหลังนั้นอิสลามต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ เราคิดเหมือนคิดคของท่านอบดเอาต่อมาครับวามันตาซักผู้ใดที่ขัดเกลวตาซักตาสกิยะจั ก, ส, จกสับคาเดียวกันใครที่ซักฟอ่อใครที่ขัดเกลวกัดขัดเกลวตัวทำงไงพี่น้องอนเอานิสัยเรลวๆออกให้หมดเอานิสัยอะไรบ้างขี้เหนียวเอาออกกัจากตัว โอ้วนเอาออกจากตัวเยื่อยิงจองหอมขจัดออกไปให้หมดแล้วก็วางแผนชั่วชั่วคิดทำลายอัลลอฮฺเราสูดเอาออกให้หมดพี่น้องแล้วก็หน้าไหว้หลังหลอกเอาออกให้หมดเยื่อยิงจองหอมเอาออกให้หมดอิฉาริษยาเอาออกให้หมดนี่ขัดเกลาเอาอะไรมาใส่แทนหนึ <c oughs> ง่งเอาความอิคลาสมาใส่แทน เอาการนอบน้อมถ่อมตนมาใส่แทนเอาคูชั่วมาใส่แทนเอาความนิสัยนิ่มนวลมาใส่แทนโอโ๋เห็นยังครับนี่ใครสอนมุฮัมมัดสอนถ้าเองเอานิสัยตะกรับบดเย่อหยิงจองหองวางแผนชั่วโรคโควิดมาถ้าเองเปลี่ยนนิสัยชั่วๆนี่นะขัดกล่าวเอาเรื่องชั่วออกจากหัวใจแล้วก็เอาของดีๆเนี่ยมาใส่แทนโรคโควิดจะมาไหมไม่มาครับ นอนก็นหลับด้วยเอาต่อมาครับไฟนนามายาตาจักกาลีนับซีแท้จริงคนที่ขัดเกลาตัวเองนี่นะได้กับใครลีนับซีได้กับตัวของเขาเห็นยังครับลีนับซีได้กับตัวของเขาเองไม่ได้ได้กับสุเราไม่ได้ได้กับกมุกการมาสยิดไม่ได้ได้กับอิห ม, ม่าม ใครทําใครได้ใครไม่ทําใครไม่ได้นี่ขัดเกาวดีวได้ไม่ดีขัดเกาว์เนี่ยต้องฝืนอารมณ์นะการขัดเกาว์่ต้องฝืนอารมณ์หมดเลยครับใหม่ๆทำเนี่ย อ, อึดอัดอลลอเคยด่าทุกครําเรามาลองมาเอาแล้วบังคับไม่ให้ด่าอีกแล้วให้บวช อ, อัลลออึดอั ด, อดใจตั้งเลย <c oughs> น, นี่ก็เรายขัดเกาว์ไง เดืนรมดอนมาเพื่อตักวานมาสเพื่อไม่ให้ทำบาปใช่ไหมความดีหมดเลยที่เอาล็อให้ทำานี่ยไปน้องครับอต่อมาครับไวลลัลาลอฮิลมัซิรัลาลอฮ์และยังอัลลอ์คือการกลับกลับไปทำไมาไปคิดบัญชีและมวบรางวัลให้เพราะอยู่บนดุญยาใบนี้ขัดเกลาตัวเองตลอดเห็นความชั่วที่เคยทกวันนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วยากจะทำไ่ะอยาก เห็นคนสูบบุรี่พะกรณสูบคนที่เลิกแล้วหูก็มือสันอยาจะสูบบรีไม่เอาแล้วครับไอรางวัลตรงนี้มีไหมมีเคยด่าอิจฉาริษยาเคยลักเล็กขโมยน้อยเคยเอาไม้ไล่ตีคนวันนี้ไม่เอาแล้วครับขัดเกลาหัวใจสะอาดแล้วไอ้รางวัลอันนี้กลับไปหาอัลลอฮฺจึงจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภานาอูบานา Inang k a b mudahlah Subhanakallahumma, w a b i h a m d i k a s y h o l a l i l a h a i l l a a n t a a s t a g h f i r u l l a h wa a t u b u i l a i h